อันตานั่นเราก็มาฝึกตนสอนตนมีสติเป็นในกายมีสติเป็นในใจเพราะกายเพราะใจเป็นฐานเป็นต้นเป็นก้อนที่แปลจะภาพเป็นอื่นไป คนเพื่อนไปกับสิ่งต่างๆเป็นพิษเป็นภัยก็มีเป็นประโยชน์ก็มีในโลกนี้เราจึงต้องเพิกตนสอนตนเจริญบุญมันมีบาปมันมีกรรมคนเหล่านี้ไม่เหมือนสัตว์ดิลฉานมีสวรรค์มีนรกมีเปรตมีสุลกาย มีทุกมีสุขเราจึงรู้จักสอนตนเดงให้ใจชีวิตถูกต้องโดยเฉพาะวิธีฝึกกรรมฐานนี่มันรวบยอดมันสรุปยอดกวาดพิชาเึงมีสติไปในกายก็ ความดีหลายอย่างแล้วแล้วความเชื่อทำความดีมีศี น, น <c oughs> เกิดขึ้นเราจะมาปรกกัดเอาไว้จำ น, นี้จำ น, นานอะไรก็ตามเป็นไปเพื่อการผึกตนการใช้ชีวิตรประจำวัน ยิ่งเรามีหน้าที่โดยตรงเวลานี้การนี้ยิ่งมีชีวิตที่ส่วนตัวไม่ถูกแบง่ง ม, มาอยู่สถานที่ร่วมกันในความคิดอันเดียวกัน เวลานี่ก็ต่างคนต่างขยันหมั่นเพียรเอาจริงีวลตรองช่วยบ้างอาใช้การฝึกตนเอาไปบ้างถือโอกาสสอนตนทุกเวลาไม่ใช่หาโอกาส โอกาสที่มีสตินั้นมีมีได้ทุกโอกาสในตัวเรานี่ก็มีอุปกรณ์ที่นำมาให้มีสติได้ในรี่บทต่างๆเดินเดินนั่งนอนข้เหยืดเคลื่อนไหวตั้งแต่หยาบถึงละเอียดหาย ใ, ใจหิบตากื่อน้ำลาย จดูดนอยก็ได้ถ้าเราไอ้มาฝึกเอามาเป็นวัตถุอุปกรณ์ฝึกตนให้รู้สึกตัวถ้าไม่เช่นนั้นมันจะเป็นอุปกรณ์สร้างความหลงได้จนตาเห็นรูปเกิดความหลงหูได้ยินเสียงเกิดความหลงจมกูกได้กินเกิดที่ได้รสกายสัมผัสจิตใจคิดนึก เป็นหัวเกิดแห่งความหลงได้ถ้าเราเพิกก็ออกมาเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกได้ถ้าเราไม่เพิดก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราเพิกก็ได้ประโยชน์ความหลงก็ได้ประโยชน์ให้เกิดความรู้ได้ความทุกข์ก็ได้ประโยชน์ให้เกิดความรู้ได้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันมีกาย มนมีเวทนามีธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่โตเปน็นอื่นได้กายก็ยเป็นเป็นได้หลายอย่างถ้าเราไม่ฝึกเป็นกิเลสตะนาทำชั่วได้เวทนา เวทนาก็เป็นที่ไปต่ออ่อนเอินเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อมีสุขมีทุกข์เกิดวิชาอวิชาตาระหนักปรธานภพชาติยึดมั่นเถือมั่นในเวทนาเวทนาในเวทนาเวทนาล้นล้นไม่เป็นลายเพื่อมันล้อ น, นเวทนาล้นล้นได้เป็นผู้ล้นเวทนาในเวทนา ในความโลนเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาในเวทนาเราก็ยืดมั่นถือมั่นเป็นขันที่มุปาทานเกิดทุกข์เกิดโทษได้ถ้าเป็นขันรุ่นร่ว น, วนมันก็มีประโยชน์มันเป็นสัญญาณภัยเวทนานี่ก็ไปไกลไปป้น้นไปขี้ไปข่มขืนไปรักไปขมโมยได้ไปบังคับขับใสท่ทาชั่วได้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 ใกล้กความโมลีเราก็สามารถเป็นพิษกับเขาได้สัญญาคือมันก็ติดสัญญาคือมันติดมันจุ่มเอาเหมือนผ้าสีขาวไปเอาสีแดงมาเป็นสีแดงได้ผ้าสีขาวไปเอาสีดำํำมาเป็นสีดำได้จิตของเราแต่ก่อนมันบริสุทธิ์เหมือนผ้าสีขาว เมื่อบางกล้เึงใดก็ไปติเสิงนั้นได้หรือจิตที่ปนเพื่อนเปื้อเพื่อนได้เกิด ค, ความรู้ความหลงในจิตเกิด ค, ความรัอกความจางในจิตที่เดชทหารในจิตได้เร่อกว่าสัญญาสังขารก็คือขยันขยันคิดเรื่องนั้นขยันปนขยันหับใช้สังขารตัว น, นี้เป็นความขยันเป็นอาชีพไปเลยของสังขาร อยู่นิ่งไม่เป็นปรุงต่อพืช ต, ต่อพืชแการปรุงการเกิดแก่ังขนัขนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมันก็ยังขยันปรุงวางทีมันปรุงก็มาเป็นทุกข์ก็ยังปรุงให้เป็นทุกข์อยู่มันเพราะมันเป็นหน่ายคีบของเขาองค์ให้สุขอรุงให้ทุกข์หล ง, นนลงในความสุขหลงในความทุกข์ความสุขความทุกข์เป็นสังขารไม่เที่ยงว่ยังปรุงอยู่ คิดขึ้นมาแล้วปมขึ้นมาแล้วทำลงไปแล้วก็ยังไม่เคียดไม่หลาบเพราะสังขารมันมีอาชีพอย่างนั้นวิญญาณคือติดเอาเมื่อไปจุ่มเหมือน ส, สัญญาคือจุม่มวิญญาณก็ติดนั่นมันติดก็เป็นเลยไปเนะี่ยวิญญาณนึ่งก็เป็นเปรต โลภไม่รู้จักอิม่มอยากได้ความคิดบางทีร่างกายมันไม่อยากมันหิวแต่กิเลสมันอยากไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักเบื่อนี่วิญญาณมันติดมันมีอย่างนั้นมันมีรูปมีนามมีกายมีใจเราจึงมีวิธีปฏิบัติ มีความเพียรเครื่องเฝากิเลสมีสติมีสัมยาสอนความพอใจแล้วความไม่พอใจในโลกออกเฉยได้เวทนาในเวทนาจิตในจิตในจิตนี้มันก็มีจิตอีกซ้อนจิตจิตเฉยเยคิดเฉ ย, เฉยมันลู่อะไรได้ไม่เป็นไรแต่ความลู้ที่มันเกิดจากจิตมันไปไกลเหมือนกันเป็นเพ้อพูมต่างๆเป็นมุนเป็นบาปได้ ถ้าทำไมเป็นมันจะมักเป็นบาปถ้าไม่ฝึกตน่ะมันง่ายที่จะเป็นบาปกาปรฝึกต น, นก็คือทวนกระเสือกสักหน่อยแล้วก็ทวนอยู่เรื่อยมันหลงรู้นึ่ทวนไปแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นเวทนาสัญญาสังขารมิจันเกิดขึ้ น, นรู้เท่านี้หรือว่าฝึกโอ้รู้มันไม่เป็น แล้วก็จำด ا ن เรื่องนี้มันเข้าออกมัน่ายเจียประค์เหมือนบ้านใกล้ทางเขาออกได้สะดวกอ่ามันอยู่ใกลหน่อยก็ลำบากเข้าถึงความรู้ดียากก้มหลงขวงกันเอาไว้นี่สติไม่จำเยะเนี่ยเพื่อจังกุศล ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือมีอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ไม่เกิดขึ้นอีกมันทำได้อย่างนี้การฝึกอย่างนี้มันทำได้ฝึกได้ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นจั์ประเสริฐมนุษย์เป็นจัดประเสริฐฝึกไ ด, กได้สอนได้อย่างนี้แต่ก็มีหลักสูตรจุงนี้มีไหมสติมีไหมความหลง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 เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เหมือ น, นกับเราเปิดสวิตไฟก็แย้งแล้วอันเนี้ยในบุญมีบาปอันมีศาสนาศาสนาคือตัวเรานี้ไม่แต่เป็นคำ ส, นสนคอนศาสนาเครื่องสอนก็สอนเรานี้ไม่มีไว้ในตำราเอามาสอนเรา ศาสตร์สละคือกายคือจัคือวาจาคือใจมีมีสิ่งอาศัยถ้ากายมีสาสตร์ละเวลามันหิวมันก็กิเข้าเวลามันร้อ น, นก็อาบน้ำมันอาศัยเวลามันหนาวก็ห่มผ้ามัน น, น, นั้ผลหนักปลเบาอาศัยมันก็หลุดออกค้นออก เพรนั่นเป็นธรรมชาติและศาสนาที่พายที่จิตใจเนี่ยอันหิวนั่นมันยังเป็นสุขมันเป็นเป็นทุกข์อิ่มันเป็นสุขไม่ใช่เอา น, นั้นศาสนาพุทธศาสนาคือตัวปัญญาตัวปัญญาที่มันไปรู้รูปลู่น้ำเพือพุทธศาสนาคือตัวปัญญาเมื่อเห็นรูเปเห็นนามมันเป็นปัญญา าศสพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นปัญญาพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกําจัดทุกปัญญาแห่งความกำจัดทุกญญวาก่า ท, ทำเป็นเครื่องกําจัดทุกพราสองบนเครื่องกําจัดทุกศาสนาเป็นเครื่องกําจัดทุก เวลาบรรทุกมันไม่ทุกเวลาบรรโกรดมันไม่โกรดถึงไหนที่เปนทุกเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนาถ้ายังทุกอยู่โกรดอยู่แม้เราจะว่าพุทธทงง า, างสังอิ迦ฌามิะมังสังอิจฌามิสังขังสังอิ迦ฌามิก็ไม่มีประโยชน์เวลาบรรทุกรู้สึกตัวเปลี่ยนคทุกเป็นความรู้สึกตัวนี่ด้วามีพุทธศาสนาแล้ว ศาสนาคือคนเป็นคนดีแล้วไม่บียเบียนตนเองแล้วไม่บียเบียนคนอื่นแล้วอันนี้คือพุทธศาสนาถ้ายังเบียเบียนตนเองอยู่ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่มีพุทธศาสนาเลยศาสนาคืออยู่เอาไว้ที่ไหนเอาศาสนาไว้ที่วัดเราอยู่บ้านสร้างวัด ใหญโตหลงอลามเลี่ยมละยุบละยยอบแต่คนยังไม่ดีเลยราสจาเจริญนี้ยังยังไม่เจริญตาสนาคือพระสงฆ์ทำเนนหลงอ่อลามแต่มัแต่วพระสงฆ์ไม่ชี้พิกณุณีว่าสกปัจการนุ่งเรื่องนุ่งขาวเพียบเจริญนี้ยัง อย่างต่อสาคือพิธีกรรมต่างๆสวดมนต์ลายพระเจ่งเป็นพระสวดเป็นพระเสกเจ่งมีพิาจาลเก่งได้บินตบาดเมืองสวรรค์เก่งไต่เผาพระเจ้าได้คนอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นตัวแทนไปเจ่ง คือทำวิธีก ร, รเจรงปุกเศษดินเ็กโลหะเป็นผ้าได้โดยเกงจากฉิดปืนยิงไม่เข้ามีดฟันปืนยิงไม่ออกมีดฟันไม่เข้าเจงอ่านั้นศาสนาก ะ, ะเคลื่อนแขนข้อ ห, ห้อคอกระตุดมนยัน อกเสกสนจะ บ, บ้างกระตุกดพระหลงพลังที่ขาดตาขาววัวแล้วก็เวลาแล้วก็ข่ากันตีกันนอนกายถ่ายเครื่องลลางกองธรรมะต่างหากเป็นพุทธศาสตร์สารถูจริงมีใครจะมีมีทจะมีใครมาค่า เป็นคนดีถ้าขาดฉิบขารทำก็ตายเหมือนกันถูกฆ่าตายยิงไม่เข้าออดีไหมมีดปันไม่เข้าออดีไหมคนก็แสวงหาอย่างนั้นมันดีกว่านั้นก็มีพุทธศาสนาทำตัวเองจนให้เขาไม่ยิงทำตัวเองคนทำจนเขาไม่ได้ค่า เขาลักเขามเมตตาเขาคนเป็นคนดีอันนี้ดีที่สุดศาสนาศาสนาอยู่ที่ไหนล่ะศาสนาอยู่ที่คนคนเป็นคนดีนี่เห็นอยาน่างนี้แต่ก่อนเราก็มีสาถาเยอะแยะเลยเป็นหมอศิยศาสตร์มาไปบัตธรรมกุหลงปพธเยียนกลับไปบ้าน เพื่อนเพื่อนครูอาจารย์นักศิษยศาสตร์ด้วยกันเห็นเราไปชวนเราไปปลุกเสกว่าวีนี่จะออกพระเครื่องรุ่นนั่นรุ่นนี้นี้ม้วนมากกให้จุกเกตวันด้วยจะออกพระเครื่องในพรรษา เราก็พูดออกไปหลุดออกไปเลยโอ้เรานึกว่าคนในโลกนี้โง่เหมือนเราหรือเรานึกว่าคนในโลกนี่โง่เหมือนเราหรือคนฉลาดก็มีนะไม่ต้องไปพุกเสกเราก็ไม่พอใจแต่ก่อนเราก็เอาแต่วันนี้เราไม่ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเรามาเอา คำมะไม่เอาพระห่อยกอสาจาเจริญคือคนเป็นคนดีเนี่ยตรงนี้น่่นจริงไม่ใช่ปลุกเสกไม่ใช่อะไรทั้งท่างแล้วเราปฏิบัติทำไปว่ายกมวยไหวตัวเองได้อาน้อยเอาชนะความหลงเอาชนะความโกรธได้บ้าง ความโลภโกรธหลงลดน้อยลงบ้างเบาบางลงเหมือนพระณนะเปลื่มพระสกีทาคามีทำลายตัวนี้ลงได้ถ้าไม่ทำลายตัวนี้ลงนะ่ะมันจะเป็นพุทธศาสนาไม่ได้มันจะต้องทำลายความโลภโกรธหลงความโลภของโกรธควาหลงยังเป็นของหยาบอยู่ยังเป็นของหยาบอยู่ละเอียดกว่านั้นคืออนุสัย ที่มันเคยชินหัดนิดสัยใหม่ง่ายที่จะรู้ง่าที่จะปล่อยวางเป็นนิสัยหัดให้มันได้อะไรเกิดขึ้นรู้ง่ายงายอย่าเอกใจทําไมทําไมจึงทํำอย่างนั้นทําไมจึงพูดอย่างนี้ทําไมจึงทําก็บเราอย่างนั้นอันนั้นมันไม่ง่ายมันยากไปแล้วถ้าเขี่ยนนิสัยตัวนี้ได้เนาะ มันง่ายง่ายที่รู้ง่ายที่จะไม่มเบียดเบียนตนเองเนี่ยเรามาศึกษาตัวนี้สนตนได้ประโยชน์ยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้ายกมือาหวตัวเองได้อดาถือว่าใช่ได้ทำไม5 1 4ร้องตาอไปสวนโมก อาจารย์พุทธาตไปกราบท่านมาจากไหนมาจากไหนาภาษาคนใตย ม, มาจากชัยภูมิอื้อราะชัยภูมิมาทำลายแิน ง, งานผมเสีย ห, งงหางอะไรกนะันเอ้าทอะไรเนาะเราไม่เราก็ไม่สะดุ้งอะไรเราก็เป็นคนชัยภูมิม ก, กัน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 มาแล้วเขาจะเข้าเหมือนสาแล้วจะกลบไปก็ไม่ไหวแล้วเงินก็หมดแล้วขออยู่มันจะอยู่งไงกติเต็มหมดเต็มผมก็จะอยู่ตามคนไม่ตัวไรไปดอกปรากดปกป้องอยู่ไม่ได้ทีนี่มันฝนซุกงูพิษก็อยู่ช่าหัวมันฝนก็ไหนก็ไปไม่ได้แเราต้องขออยู่นี่ก่อน ตรงไ ม, ม่ใช่ข่าที่ไหนพอจะได้จะอยู่ไปแตก่อนพระอยู่นั้นมีแต่พระบวเรียนไม่หลงตาใช้พวงเนะี่ยไม่เป็นบวเรียนกว่าเขามันไม่ได้ที่นี่ไม่ระเบียบมันรับแต่พระหมอประเดียนท่านได้ปรเรียนไหมไม่ได้ไเลยเลยก็ <c oughs> เลยจำเป็นให้อยู่ พ อ, ออยู่ไปอยู่มาเอ้ามันดีกว่าพระปอเรียนอีกทีอาจารย์พุท่าฉีกระเบียบนี้ทิ้งเลยไม่รับเอาเอาทุกโลกแต่ก่อนรับเฉพาะหมหาปอเรียนนะตอนก็หัวเลาะแล้วก็ถามว่าส่วนปนิโมกจบไหมไม่จบท่องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่หมด สดธรรมะจักได้ไหมได้สูบบุหี่ไหมไม่สูบถ้าต้องปฏิโมกขได้สามารถยก ม, มบอไหว้ตัวเองนะอาสุบบุหรีไม่สูบบุหรี่ก็ยกมือไหว้ตัวเองได้สดธรรมะจักได้ก็ยกมือไหว้ตัวเองได้มีความขยันพอสมควรนะ เอาให้อีกนะเอาให้สวดไปโม่ให้ได้จะไม่เหลี่ยมไาวตัวเองเอ้าทำไมไม่ถามอ่ะมีสติไหมทำไมว่างยินดีต่อยอดนันสักหน่อยมีสติไหมทำลายความร่บกโกรธหลงได้บ้างไหมน่าจะถามแบบนั้นบ้างนะอ่านี่มันก็มุ่งไปตรงนี้จริงๆนะ น่นเหมือนกับปอกกาบกล้วยปฏิบัติธรรมนะ่ยเห็นรูปเห็นนามเนะี่ยรูปต้นกล้วยจะเอาหยวกนั้นจะเขียนมันมาแฉงเลียงต้องปอกกาปอกเสียก่อนจึงจะเอาหยวกเปนอะไอาสาหรือว่าเขีนมันต อ, อกออกเห็นรูปทำเห็นนามทำเห็นรูปทุกนามทุกรู ป, รปโอ้ยปอกปอกปอกปอก โ อ, อกโ อ, อกโ อ, อกโ อ, อ, อ, อก็อ๋อทำรอย อ, อันนูนใสได้บ้างสังยตุตได้บ้างสักกายทิฏฐิวิจิตคีฉาสีระพตาปรามาได้บ้างไม่มีตนในกายสักกายทิฏฐิไม่มีตนในกิตไม่มีตนในเวทนา ไม่มีตนในสัญญาไม่มีตนในสังขารไม่มีตนในจิญญาณเลยเห็นแต่สักธรรมสัจธรราทําไมจะทําลายไปได้สกฤติทิฏเตียแต่ก่อนไม่มีตนเต็มไม่หมดเลยล้อนคือกูหนาคือกูสุขทุกข์คือกูอผิดกูถูกกูได้กูเสียกูแพ้กูชนะเพิ่งมาทำลายตัวนี้เห็นลูกเป็นน้ําหนูไม่มีตนในกาย สักขยยิดติวิจิจิเชาไม่สงสัยแน่แว่าติดสุดโรยวันทับนี้มันเป็นนี้ขึ้นมาแต่ก่อนก็ติดตัวเยอะแยะวิจิจิเชาไม่สงสัยในการปฏิบัติศีพตาประมาทไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาสักสิทธิ์เอาอะไรจริงจัง ความรักจริงจความโกรธจริงจั ง, ค ว, จ ง, จงความอะไรต่างๆจริงจังกับทิ่ต่างๆรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นปล่อยวางสัพเพ ธ, ธรรมะอนัตตาสัเพเปธรรมะอะไรสัพเพ ธ, ธรรมานาลังไอพินิเวศสา ย, ยะทำทั้งหลายไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นทําได้ควมดีก็วางได้ไม่ติดดีความชั่ววางได้ไม่ ไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเป็นพระมาเลยได้ไม่มีอะไรเล ย, เ <c oughs> เลยทั่วสวรรค์ได้ฮทัวร์นรกก็ได้เนี่ยสุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้ไม่มีใครหลอกเราเลยใครจะมาคุยเรื่องสุขหรือทุกข์ให้เราวังไม่ไม่ต้องพูดดังนี้มันทัวรสวรรค์ทวนโลกได้ เนี่ยไม่ยืดมัน่นถือมันเอาหนึ่งไปสอนทมที่หาดใหญ่มันเป็นพวกอิสลามแถวนั่นแล้วก็อิชอาเราหรือเปล่ากวาม่รู้ลมาแล้วก็นั่งอยู่ก็ยืนอยู่คุเจียงหรือถ้าเจริงจริงพาเราไปทัวร์สวนนี่สวนนี่พ่านได้ไหมก็ว่าอย่างนี้นะ ออขอจมอเอาจริงไหมเงี้ยห ล, ละก็กาเหมือนกันเนะ <c oughs> ดยมือขอมือขอจบมือคุณจ้าจริงไหมจู่ๆนี่เอาจริงไหมถ้าเอาจริงก็มาสิเขาก็ยอมหงอยๆไปจะไปตีอะไรสีนปพพระมาทำลายตรงไดบ้างปอกเปลอเือกบ้า ตอกเปลือกได้บางเห็นกระเสอือในการทิศทางมางไม่มืดมนดีใจขึ้นมารู้จากลูกจากนามแล้วเห็นทิศทางจริงๆได้หลักสูตรแต่ก่อนมันไม่ดีใจอะไม่ใช่ใจใจดีนะไม่ใช่ดีใจใจมันดี มันรูโอ้ใจดีนี่คือบุญแล้วบุญคือใจดีอืมบาปคือใจร้ายโอ้บาปมันคือความหลงเนี่ยเพราะหลงมันจึงโกรธเพราะหลงมันจึงทุกข์เพราะหลงมันจึงเศร้าหมองเพใจดีมันไม่เป็นไรไม่ใช่ดีใจดีใจยังใช่ไม่ได้แล้วใช่ไหมบองทีด่าเขาก็ดีใจ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 เน้นทาะกันถ้าเอมห้ามขอโทษขอไยกันแล้วต่างคนต่างอภัยกันแล้วไม่เอาเอาจะง่ายีเขาก็ขอขอัยแล้วเขายอมแล้วก็ให้ผมต่อยมันสักหน่อยผมคิดดีใจให้ผมตีมันสักหน่อยจึงจะดีใะให้ตีกันก็ดีใจเหยมันไม่ใช่เน้นเลยมันเกบไปตีกันทำไม อันเป็นบาปอภัยกันซาผู้จนลงตายฉะนั้นให้ตีมันสักหน่อยจะดีใจดอกบางทีอันดีใจเนี่ยมันได้ตีกันกิดตีมันสักหน่อยผมก็ดีใจดอกอไม่ต้องไปตีกันใจดีตีกันไว้ลองนี่จะไงนี่บุญนี่บาปเห็นแน่นอน เห็นบุญเห็นบาปแม่นอนเลยเห็นศาสนาเห็นพุทธศาสนาเห็นศีลมีแล้วจึงรู้โอ้ยเราอยู่กับศีลมาตั้งหลายวันโอ้ศีลคือปกตินี่เองมีสติก็สมบรวมต่อหูอจมูกลิ้นกายใจปฏิโมกไม่พุ่งพวไม่พุ่งซ้อน โอ้เป็นศีลเนี่ยินหนึ่งยสมาธิคือมันมั่นคงชัดเจนแม่นยำชีวิตงดงมสมาธิไม่หวนไหวอะไรงีปัญญาก็รู้จักเปลี่ยนร้อยเป็นดีเป็นมาเท่าไหร่เปลี่ยนไม่ดีหมดชื่อว่าความทุกข์นะเหมือนน้ำมันกับน้ำ น้ำมันกับน้ำเนี่ยเไปเทให้มันปนกันมันไม่ยอมปนหรอกน้ำมันจะต้องอยู่หนวอน้ำตลอดเวลาปัญญานี่เป็นอย่างนั้นเหมือนกับน้ำมันเหนือน้ำใจจะทําให้น้ำมันมันปนลงไปในน้ำมันไม่ยอมปนเพราะปัญญามันรู้จบรู้จบผิดถูกมันไม่เอ้ยจริงจผิดอันที่ว่าทุกเนี่ย โกรธบ้างสักอยไหมนะหน้าโกรธนะคนนี่นะโอ้ย ข, ข่มขืนตัวเองแม้แต่คิดไปมันก็ไม่ไปมันไม่ยอมไปนันไม่เอาพี่บอกของทุกเอโอ้ ย, อยเรามีศินเลยจึงรู้ศินสมาธิปัญญาคือภาวะนี้เองบุญคือภาวะนี้ศาสนาคือภาวะอย่างนี้ ทุตจารย์สังคือลูกคือตื่นไม่หลับไม่ไหลเพราะอา น, นิสงส์ของการฝึกตนมันมีกระแสแบบนี่นะโอ้หลวงพ่อเทียนฉลาดแท้มาสอนใหนคนรู่รูปรู่น้ำนะให้รู่จากตัวเองนี่ยแล้วจะคิดว่าอ้าครูคนสุดท้ายของเราหลวงพ่อเทียนเนะี่ตั้งใจปฏิบัติไว้ นี่คือไม่ต้องไปเชื่อหลวงพ่อเชื่อเราเองเราทำไปมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมา <c oughs> มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาไม่ใช่ไปคิดเห็นมันพบเห็นเข้าไม่ใช่คิดเอามันพบเห็นมันต่อหน้าต่อตาแบบนี้เรามันหลงลู่ได้ไหม นักตรงนี้ก็มันไม่มีอะไรก็ลู่เลยไปความลู่ไม่ได้หนักหนาะอะไรไม่ได้แบกได้หาบอะไรยิ่งลู่เท่าไรยิ่งเบานอนอยู่ก็ลู่ได้ทํำไรก็ลู่ได้ยิ่งเรามีคนแฉมีอายุเนี่ยสนุกปฏิบัติทางอ้างได้ ไม่มีใครคิดจะใช่คนแก่หรอกใช่ไหมเชียน้อยยังไม่ออกจะแก่ไม่ออกไหมไงไปําเจ้า ไ, ไปหหไหนไปฮันนัใครนะไม่มีใครกล้าใช่เราหรอกไมีแต่เขาให้หยาบไปถือคนแก่เลยเป็นผู้มีอายุแล้วก็ไม่ถือเราก็ลุง คนก่ยิ่งป่วยมันลงตล า, าก็ยิ่งไม่รอใช่หรืแล้ว น, นั่นไเรามีเสิทธิ1 0อยไปจนสบายที่สุดเลยแก่มาเนี่มือแดงเขียวเลยมช้กำลังมากมือจับเจ้าจับเสียมข้าวม่งแตกเป็นกิดเป็นกามความว่าเ็ดโอลมพระเ็ดเรา ไปแบกไปหาบต้นไม้ถ้าหาบต้นกลางวันตัวพระเน้นจะเห็นหาบกลางคืนไปผูก ล, ผลุยน้ำข้างน้ำฝนน้ำข้างพาลงพงไปไปแต่เป็นเจ็บเป็นกาเดวนี้เยี่ยงคลอนเล ย, เ, ย, เ, ย, เ, ยเกี่ยมันก็ดีนะ สนุกเก่สนุกเก็บมั่งไงไม่มีรอกทุก่ะมาเถอะพวกเราคนไทยประเทศไทยนั้นมีวัดวาลามีพระสงฆ์มีวาสกมีบาจิกามีพุทธศาสนาประจำชาติมี คำสั่งคำสอนเชิญชวนมาแล้วมาเถอะออกบูชัวนัสบาสก โ, โตปฏิบิธรรมเช็มตีสิบวันประกาศไปแล้วมาแล้วก็จะคิดถึงแต่บ้านไอ้ใช้ชี ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่าไปดีพูดเกินไปอาวา่าบริโภูดแต่ว่ า, วา ส, สงก็ห่วงแต่วัดไม่ชีก็หองแต่วัดอาวา่าบริพูดญาติบริโภดของอาจารย์ห่วงลูกหองหลานห่วงลูกจิตลูกหาอันที่มัก็เป็นโดสดมันกันนะอย่างพระก็ปิงชี้ยะเด้อ โนบสิบหกคนไปก็ถามปัญหาพระพุทธเจ้าอาจารย์ให้ไปถามปัญหาพระพุทธเจ้ามอกมาไปสิบหกคนตั้งคำถามให้คนละปัญหาแข่งกันในรัฐิสมัยก่อนกูต้องหกเนา มีมานุษคนหนึ่งไปฟังพระเจ้าตอบปัญหามานุษย์แต่คนถามไปพระเจ้าก็ถามต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปมีมนุษย์คนหนึง่งอะไรจำไว้ได้นะอาจจะเป็นปิงเคี้ยมมนุษย์เลยอะไรก็ไม่รู้ขออภัย <c oughs> คิดถึงลุงตัวเองทึ่เป็นอาจารย์ใหญ่สอนอยู่ที่นอนเป็นลุง อ, อยากให้ลวงมาฟังทำบ้างเวลาพระเจ้าเทศก่อนไหนเรื่องใดคิดถึงแต่ลวงส่วนม น, นุิพ์านคนนั่นตั้งใจฟังตามคำสอนไปเลยเกิดบรรลุธรรมทั้งหมดสิบห้าคนเหลือมุนย์คนเดียวนี่ห่วงแต่ลวงตัวเอง เหมือนโยมะห่วงแต่หลานห่วงแต่ครอบครัวห่วงแต่วัดวัด ล, ลามโดยไม่บรรลุธรรกับเขามันห่วงก็ดีอดอกแต่มันเป็นบรรพุทธนะดู ด, ดีๆมันไม่ห่วงเฉพาะวันนี้มันห่วงไปจนตายจนตายไปก็ยังตายอยู่ในห่วงเป็นงูเหลืองเฝ่าสมบัติไป <laughs> ตายเป็นอืองอืองเห็นไห้เอืองห่วงไ่ห่วงนา นิทานฟังนิทานมพี่น้องสองคน <c oughs> ได้รับมรดกพ่อแบ่งนาให้พ่อแบ่งหน้าให้แบ่งหน้ า, นาก็เอาคนที่ออกจากนี่ไปนี่จอมปวกนี่ห่างจอมปวกนี่ไปว้านึง น, นั่นใหนอ้องวันนั้นให้แบ่งกันไปกพพ้นตกมาไปแต่ห่วงนาของตงัวคิดแต่เรื่องนาแต่งไงจึงจะได้อีกสักว่าชักสบอบพ่อบอกให้ออกจากปลอมพวกไปวาหนึ่งถ้าจะกลัวชักหน่อยก็ดีนะคิดอ่าก็ไปพันกันลดาไม่ห่วงอ่ะห่วงแต่ดาแต่ไล่แต่แตสวน ป้าปั้นตัวน้องชายก็ อ, อ๋อพี่พ่อบอกให้ห่างจากนี่มานี่วาหนึ่งนะมันขัวนะมันว่าขัวนะว่าเดียวไม่ใช่มันกลัวนะโลภขัวตัวน้องชายก็บอกมันวาเดียววาหนึ่งอย่านีว่าหนึ่งว่าัว เถียงกันไปแจงมาฆ่ากันตายอันหว่วงเลยเป็นอื่นอย่างเพราะวาได้ยินไหมเวฝนตกาเถียงกันอ่าัว่าเห็ว่ากลัวเออได้ยินไหม <c oughs> ไปอยู่วัดโมกขันเชิญวัด <c oughs> มกขันเชิญไม่อื่นอย่างนะ <c oughs> เอามาป่วยก็ไม่ล้องให้ฟังสักตัวเลยงูจีนหมดที่แนวะ ซึ่มาจากทับใหญ่เอามาตั้งกระถุงกระสอบปุ๋ยดังซื้ออื่นมามาคุจะให้เอาใายมาส่ยให้เอา ป, ป่อย่อยให้ให้มันวนใจยอยูน่นะถึงหน้าฝนตรงเนี้ยที่ใกล้ๆกับตีจานโน๊บแต่ก่อนมีหนองน้ำอยู่นั้น เอาทายใะอย่างดีเอาไปบ่อย่างดีตั้งก็สอบท้ายก็สอบปุ๋ยนั่งนะซื้อมาไม่มีโรงสักตัวเลย อ, อยากฟังมันบานหนึ่งว้ากัวเอามาสอด้วยขี่เราะกันแบบนี้อย่างหวงอะไรกันไปเ <c oughs> ปเรโทษกองบนอุปจักต่อการมารู้ทำนะอ่ะอะเาเอาสมควรเยี่อละ